ต่อไปอีกอย่างหนึ่งว่าหมวดธรรมมีภาษะเป็นต้นอันสําเร็จด้วยการฟังชื่อว่าสุตมยะหมายถึงนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่เกิดจากการฟังเนี่ยนะอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณใช่ไหมคาว่าหมวดธรรมมีภาษาเป็นต้นก็คืออะไรภาษะเวทนาสาญญาเจตนาจิตมิตรวิจารปิติสุขเอกคตาเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าธรรมะที่ไหลมาจากทวานหูยานที่เป็นไปในหมวดแห่งธรรมะ ชื่อว่าสุตามายะคือภาษะเป็นต้นนั้นอ่ะคือปัญญาที่สัมปยุติกับภาษาเป็นต้นอ่ะกับด้วยสุตามายะนั้นชื่อว่าสุตามา ย, ายะยานปัญญาที่เกิดร่วมกับหมวดธรรมที่เกิดจากโสตทวารเนี่ยนะอาศัยการฟังแล้วรู้ความหมายเข้าใจเรื่องอะนะปัญญาอันนั้นแหละเรียกว่าสุตามา ย, ายะยานยานนั้นนั่นแเลยชื่อว่าปัญญาเพราะไม่กําหนดก็เพื่อจะอธิบายโดยปริยายโดยอ้อม嘛นะ จริงๆไอ้คำว่ายานกับปัญญาก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ภายหลังท่านกล่าวกำหนดว่ายานจริงคำว่ายานแต่คำว่าปัญญามีความหมายเหมือนกันทีนี้สรุปที่ผ่านมาซะยาวเลยนะว่าไม่ต้องเยอะสรุปอยากให้เข้าใจอะไรอยากให้เข้าใจว่าแปลว่าปัญญามันเกิดจากการฟังนะปัญญาเกิดจากหูอยากให้รู้เท่านี้แหละหูพูดมาซะเยอะเลยอนะ่ะเออทางธรรมะเนี่ยท่านคิดได้รอบนะท่านคิดกว้างขวางคิดทั้งโดยสับโดย พยัญชนะนะแต่ใครที่แหมเน้นสาระมากก็บอกเอ๊ะทำไมพูดอะไรจะเยอะแยะไปหมดเลยนะก็บอกว่าปัญญามันเกิดจากทวารหูก็ใช่ได้แล้วยจงไงะก็ของเราก็จะเอาง่ายๆนะก็เลยเหลือมักดองเดียวมักไม่ค่อยยา ก, ก น, นะทีนี้ต่อไปนะคือว่าญาณสัพท์วิญญาณ น, นะเมื่อกี้นี่ศัพท์ว่าปัญญามีความหมายว่าอย่างไงนะในหน้าสามสิบห้าคำว่าปัญญาก็คือเพราะอัฏฐาว่าเป็นเครื่องให้รู้ชัด หรือทำอัฏถ น, น, นั้นให้ปรากฏหรือให้รู้โดยประการต่างๆอันนิจจังเป็นต้นทีนี้มาดูยานยานจริงๆก็คือปัญญานะแต่แต่ขยายคลนละแนวกันซึ่งโดยอัถะเนื้อความรวมจะเหมือนกันยานชื่อว่ามีการแทงตลอดสภาวะเป็นลักษณะหรือมีการแทงตลอดอย่างไม่ผิดพลาดเป็นลักษณะเหมือนการยิงลูกศร อ, อันนายขมังธนูผู้ชาญฉลาดยิงไปแล้วฉะนั้น ก็เช่นยานนี่มีการแทงตลอดสภาวะันนี่นะเช่นมาพูตรูปเนี่ยปฐวีธาตุมีสภาวะลักษณะเป็นอย่างไรแข็งใช่ไหมมีสภาวะว่าแข็งถามว่าฝาบ้านแข็งไหมแข็งเราต้องเอามือไปกดก่อนไม่จึงจะรู้ว่าแข็งนะถนนลาดยางนี้เราเชื่อไหมว่าแข็งต้องลงรถแล้วไปกดดูก่อนไม่จึงจะรู้ว่าแข็งนะ นนั้นคำว่าแข็งเนี่ยน ะ, ะตัญญาเนี่ยเข้าไปแทงตลอดสภาวะไม่ได้แปลว่าจะต้องเอากายไปจิ้มทั้งหมดเนี่ยนะเอามือไปจิ้มดูคมมีดดูนี่มันแข็งจริงหรือเปล่านะจิ้มมากๆลึกๆมันจะเป็นยังไงนะน่าสงสารเลยแหละอัวีสมมติว่าแดดร้อนเรื่องเนี่ยนะถามว่าเราต้องแหมไม่เชื่อต้องพิสูจน์ด้วยตันเองไม่เชื่อหรอกว่านารกมันร้อน เนี่ยนะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกคือปัญญาเนี่ยนะมันเข้าไปแทงตลอดสภาวะสิ่งนั้นๆเป็นยังไงคำว่าผมเนี่ยแข็งเนี่ยเราต้องไปเอามือไปนั่งรูปเส้นผมอยู่นั่นจะไม่าผมมันแข็งอะนนี้่ต้องเนีย่ยนะฟันเนี่ยแนละก็นั่งกัดฟันทั้งวันเลยจะไม่ก็ได้กำหนดว่าฟันเออมันแข็งจริงๆริงนะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคือปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวเข้าไปแทงตลอดสภาวะลักษณะเนี่ยนะ พันการแทงตลอดสภาวะลักษณะที่ไหนก็ไม่ผิดพลาดเพราะปัทวีธาตุมันจะอยู่ในที่ใดๆพบใดๆอดีตการันยาวไกลขนาดไหนอนาคตการที่ยังไม่มาถึงขนาดไหนมันก็คือสภาพที่แข็งมันยังคําเนี่ยนะพันเรียกว่าแทงตลอดสภาวะที่ไม่ผิดพลาดเนี่ยนะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นปัทวีนะอาโปก็ในยะเดียวกันน่นนะอาโปมันที่ที่ไหนมันก็เออบาบเหมือนกันเนี่ยนะเอิบอาบหรือชุ่มเหมือนกันเนี่ยนะหรือเกาะกลุ่มเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละ อาโปในปัจจุบันอาโปภายในอาโปภายนอกอาโปอดีตอนาคตยังไงก็มีลักษณะอันเดียวคือก็เอิบอาบเตโชก็เผาไหมหรือย่อยสลายวายโยก็เคลื่อนหรือพัดเนี่ยนะหรือท่านมามธรรมทั้งหลายนะภาษาก็ลักษณะกระทบอารมณ์เวทนาสเสวยอารมณ์สัญญาจำอารมณ์เจตนาจงใจในอารมณ์จิตรู้แจ้งอารมณ์เนี่ยนะ อันสภาวะลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นอย่างนั้นนี่สภาวะเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยการรู้สภาวะเนี่ยนะอมความไปถึงรู้ปัจจัยด้วยนะรู้ปัจจัยด้วยเพราะว่าการกําหนดรู้ปัจจัยนี่ก็ยังถือว่ามีสภาวะลักษณะเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยนะอย่างเช่นอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเนี่ยนะก็อวิชชาก็คืออวิชชาธาตุธาตุคือความไม่รู้เป็นปัจจัยแก่เจตนาที่เป็นบุญและไม่ใช่บุญเนี่ยนะ มันก็มีการแทงตลอดที่สภาวะเรียกว่าแม่นยำเหมือนกับยิงธนูเนี่ยนะเหมือนกับนักยิงปืนแม่นนะนียิงแล้วมันแม่นยำขนาดนั้นว่าสภาวะลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะแทงตลอดแม้กระทั่งถ้ารู้สภาวะลักษณะแล้วถามว่าอย่างรู้สามัญลักษณะยากไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นต้นก็ไม่ยาก ถ้ารู้อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ยากแล้วละ ก, กิเลสยากไหมไม่ยาก <laughs> ไม่ยากกนะันนี่ยไอ้แต่ถ้ารู้จริงๆก็ไม่ยากนะแต่รู้ได้ยาวรู้ได้จริงก็ไม่ยากแนละ้วบางันแล้วปัญญาเนี่ยนะมีการส่องซึ่งอารมณ์เป็นกิจกิ จ, จรดเนี่ยนะรัศดาตัวนั้นหมายถึงกิจเหมือนดวงประทีปส่องสว่างเช่นนั้นส่องให้เห็นหมดเลยนะปัญญาก็เหมือนกับ ประเทศนะนะที่เข้าไปส่องให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆปัญญามีความไม่หลงเป็นอาการปรากฏเหมือนพรานป่าบอกทางแก่คนหลงทางอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบไม่หลงก็เหมือนคนกรุงเทพเนี่ยนะชวนอยู่ในกรุงเทพให้ไม่หลงทางอย่างนั้นนะนะก็บอกว่าสมัยก่อนนะพรานปนะ่าถ้าเผลอแพบเดียวเนี่ยผิดทางเลยไหมคนกรุงเทพก็เหมือนกันถ้าชํานาญทางก็ไม่หลงทางง่ายๆใช่ไหมก็บอกว่าปัญญานี่ลักษณะนะั้นนะไม่หลงทางอย่างนั้นนะ หรือมีสมาธิเป็นพัาฐานคือเหตุใกล้ที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริงถามว่ารู้เป็นจริงยังไงรู้เป็นจริงว่าจักหูไม่เที่ยงนะหูไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยงลิ้นไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงหรือรู้ว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงมันเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้ตามเป็นจริง ถาว่ารูปไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงนะท่านทั้งเดี๋ยวข้างหน้าจะมีต่อไปนะในปฏิสัมพัฒนนี่แหละคําว่าไม่เที่ยงเช่นว่ารูปในอดีตชาติมันก็หมดไปแล้วในอดีตชาติอนาคตชาติมันก็จะหมดในอนาคตชาติชาตินี้มันก็จะหมดอยู่ในชาตินี้ไม่ถึงชาติหน้าหรอกเนะีนะ่ยะมันก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะแล้วก็ไม่เที่ยงนะฝึกคิดไอหยาบยาก่อนบางคนก็บอกเฮ้ยหยาบขนาดนั้นใครจะรู้เออใครใครไม่รู้ก็รู้อยู่แล้วรู้แล้วเอามาคิดหรือเปล่า นะถ้ารู้แล้วเอามาคิดแล้วค่อยมาซอยละเอียดไปเรื่อยไปเรื่อยอย่าเพิ่งมาเจาะแหมจะเรียกว่าจะใช้แต่ปลายเข็มแทงอะไรก็ไม่ร่วนะจะเอาละเอียดยิบขนาดนั้นเลยนะจะเจาะแม้กระทั่งรูปกระลาบนิดเดียวนั่นะนะโอนยบรรุพุ่เข้าไปเลยโอ้โหอะไรจะปานนั้นนนะั้ทําได้ไหมล่ะตั้งทฤษฎีซะยากแล้วก็ทําไม่ได้เลยนะนี่ก็เหมือนกันนะพยายามคิดอะไที่มันห ย, ยาบหยาก่อนนะนะที่เห็นง่ายๆแล้วค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถ้าละเอียดจากเรียกว่าโดยอัฐาก่อนใช่ไหม ทนี้ก็โดยสมัยสมัยเมื่อก่อนนั่นหนุมๆรอกอันนี้เยอะเนี่ยนะสาวๆ ส, สวยกันนี่ตั้งมากอะ น, นะตอนนี้ไม่เหลือแล้วหมดแล้วเป็นต้นเนี่ยก็จะเห็นละเอียดลงมาอีกหน่อยใช่ไหมถ้าละเอียดมาปั๊บเนี่อาหารเป็นสมุทรฐานเนี่ยอยู่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวหมดแล้วอนะมื้อเที่ยงที่ทานไปนี่ก็ชักจะเริ่มหิวอีกแล้วเนี่ยนะกาแฟเบรกก็ผ่านไปเดี๋ยวก็จะหมดอีกแล้วอย่างเง้ยนะก็ลักษณะเนี้อันนันอาหารสมุทฐานถ้ากินแตสมุทฐานล่ะก็ว่าไปตอนโสมนัตอย่างหนึ่งตอน โทรมนัดอย่างหนึ่งตอนอุเบกขาอย่างหนึ่งอุตุเป็นสมุทรฐานน่ะอยู่ข้างในบ้านก็เย็นอยู่ข้างนอกก็อุ่นอะไรเงี้ยนะก็คือคนละสมุทรฐานคนละสมุทรฐานไปทีนี้ถ้าอุตุข้างข้างในร่างกายเก็กรรมะปัจจะยั่งอุตุเนี่ย น, นะร่างกายของเราที่ไม่เหมือนของคนอื่นเลยอันนี้คือกรรมะปัจจะยั่งอุตุเป็นปัจจยัยนะเช่นพอตายแล้วนะศพเราจะไม่เหมือนศพอื่นเลยพอตรวจดูดีเเอแล้วจะไม่เหมือนคนอื่น่ะนะใช่ไหม เราดูดนเนดนเอแไม่เหมือนคนอื่นก็เพราะว่ากรรมมะปัจจะยสมุธฐานเราไม่เหมือนคนอื่นนะเรียกว่ากรรมมะปัจจะยอุตุตอนหลังก็จะเป็นอุตุปัจจะยอุตุเนี่ยนะจิตตปัจจะยอุตุเนี่ยนะเราก็ยิ้มไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมเพราะอุตุจิตตสมุธฐานเราอย่างแตกต่างกันอาหารปัจจะยอุตุเนี่ยนะน้ำหนักเราก็ไม่เหมือนคนอื่นนะพิเศษอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะอาหารที่เราบริโภคเข้าไปแตกต่างกันโครงสร้างทางร่างกายที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะตาก็ ออตานี่มันก็มีตาคนละคู่นะเพราะว่าไปจริงๆมันไม่เหมือนกันเอาเอร่างกายนะคนไทยเหมือนกันนะถ้าทางต่างประเทศมาก็ดูเหมือนกันแหละเอามานั่งเทียบด้วยกันเออชักไม่เหมือนแหละเนี่ยนะนี่คือแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะกรรมะสมุทฐานก็ไล่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสมุทฐานของแต่ละแต่ละรูปไปเนี่ยนะเพราะมีเบื้องต้นกับมีที่สุดเนี่ยนะเพราะคนที่คิดเรื่องสมุทฐานนี่จะรู้ว่าไม่ได้คิดในแง่เดียว ก็กรรมมชรูปอย่างหนึ่งจิตตชรูปอย่างหนึ่งกุฏิชรูปอาหารอย่างหนึ่งอาหารชรูปอย่างหนึ่งทีนี้ในรูปเหล่านี้พอมาไล่เป็นเรื่องไปผมเนี่ยสมุดฐานสี่เล็บสมุดฐานสี่ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยก็คนละสมุดฐานคนละสมุดฐานสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่แก่รูปคือตาเนี่ยแก่รูปคือตานะมาพูดเหล่านี้ยเป็นปัจจัยแก่หูแก่จมูกแก่เลนส์แก่กายาภาษาทะเนี่ยนะ แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งอะไรเป็นที่ตั้งแห่งถ้ารูปดีสุขเวทนาถ้ารูปไม่ดีทุกขเวทนาเนี่ยนะก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเมื่อเวทนาสเสวอยสิ่งใดก็จําหมายในสิ่งนั้นนี่นะก็จําหมายในสิ่งนั้นสัญญาใช่ไหมทีนี้พอสัญญาเนี่ยตัวดีแหละจะเป็นปัจจัยแห่งกุศลหรืออกุศลก็จะเป็นไปตามนั้นดังนั้นในความเป็นกุศลและอกุศลอยู่ที่สังขาร ถ้าสังขารคืออาคุศลเจตสิกเข้านะชาวนจิตทั้งหมดนั้นเป็นอาคุศลถ้ากุศลเจตสิกเกิดก็เป็นกุศลแต่ทั้งนั้นทั้งนี้กุศนก็มาจากโยนิโสมนสิการอาคุศนก็มาจากอโยนิโสมนัสิการวิบากก็มาจากกรรมเกิดจากกรรมกิริยาเกิดจากภวังเกิดจากภวังเนีนะก็พิจารณาถึง อทั้งรูปทั้งนามที่เกิดจากปัจจัยในทวารต่งตางๆก็อย่างลงถึงความไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นน่ะก็หมั่นไข้ครควญเป็นอย่างมากอะนะก็ต้องเอาไม่เลิกะนะเขาบอกว่าถามว่าเอ๊ะนี่จะต้องคิดอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนะนะก็จนกว่าจะตัดฉันทราค่าในสิ่งเหล่านี้ได้นั่นแหละถ้าตัดฉันทราค่าในสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้อย่าเพิ่งเลิกอนะเหมือนกับกินยาไข้ลดๆหน่อยๆอย่าเพิ่งเลิกนะเดี๋ยวไข้มันจะกำเริบอีกะก็กินจนกว่าจะหายขาดนั่นแหละ ที่ว่าโสตวิหารในปัญญาจุตามัยญาณนังนี้นะถ้าสมมุติว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังแล้วไม่ส่งไว้เนี่ยจะถือว่าเป็นจุตามัยญาณได้แค่ไหนก็มันเครื่องบันทึกมันไม่ค่อยดีนะแล้วก็สำเนวนที่เรียกว่าปัญญาเหมือนหม้อคว่ำฟังก็ไม่เคยจะรู้เรื่องอนะนะอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็ปัญญาเหมือนหน้าตักใช่ไหมฟังแล้วก็จําได้ก็ได้ฟังอ่ะคือได้ฟังก็ดีกว่าไม่ได้ฟังอ่ะนะมองในแง่นี้เอา แต่ที น, นี้ถ้าฟังแล้วจําได้ก็ดีกว่าฟังแล้วก็จําอะไรไม่ได้เนี่ยเตรงนี้ถ้าแปลตามพยัญชนะมีมหาเปรเียญท่านหนึ่งท่านแปลว่าปัญญาที่เกิดจากการเงี้ยหูฟังไม่ได้แปลว่าทรงจำไว้แต่แปลว่าปัญญาที่เกิดจากการเงี้ยหูฟังเนี่ยชื่อว่าโสตาวทานเนี่ยเก็ให้โยมเข้าไปหามหาเปรเียญถามดูนะ ว่าโสตาวธาเนตัวนั้นเนี่ยแปลว่าปัญญาที่เกิดจากการเงี่ยหูลงฟังเนี่ยนะก็แต่ตรงนี้เขานิยมแปลว่าปัญญาที่ทรงจําไม่ได้เนี่ยนะบางก็แสดงว่าสองอัฏานนะก็บางท่านก็น้อมไปจะแปลว่าให้จํานะต้องจําบางท่านก็น้อมว่าขณะที่เงี่ยหูลงฟังและเข้าใจเนความก็ถือว่าสุตะฟังแล้วนะแปลว่าไม่เชื่อว่าทรงสุตะเนี่ยนะเขาก็ อาจจะไปใช้ศัพท์คําว่าทรงสุตะที่เรียกว่าเป็นผู้สดับมากทรงสุตะสั่งสมสุตะเนี่ยนะก็จะไปเข้าองค์ประกอบในด้านอื่นๆอีกต่อไปแต่ทีนี้ถ้าจําไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่แล้วนะก็รู้ว่าทางนั้นอ่ะหูดีมากเลยนะทางนั้นอ่ะเดินไปเนี่ยจะถึงที่สบายพอไปเนี่ยเอาจําทางไม่ได้ก็นี่ทำไงตรงนี้ก็น่าคนเห็นใจตรงนั้นอ่ะนะแต่ถ้าถามว่าคนที่จําไม่ได้ถ้าเทียบกับไม่ได้ฟังอ่ะนะ ก็ฟังก็ดีกว่าแต่ถ้าฟังและจำได้จำได้ก็ดีกว่าจำไม่ได้แต่นี้จำได้ก็เอาไปคิดจะดีกว่าเอาไม่เอามาคิดไอ้ที่เอามาคิดนะพยายามคิดอย่างนั้นให้บ่อยๆให้มากๆก็ดีกว่าคิดน้อยๆนะก็มันมีดีไปหลายชั้นมากเนี่ยนะนะก็ถ้าอริยสัจเนี่ยจาไม่ได้อัฐะของอริยสัจจะเลิกไม่ได้จะไปปฏิบัติอริยสัจได้ยังไงอยู่แล้วเนี่ยนะนะนะคือโดยความหมายก็กชัดเจน แต่ทีนี้พูดถึงอินทรีย์ของคนยุคนี้มันบางคนเนี่ยอ่อนมากอ่ะบางคนที่เลิกฟังเพรอะไรบอกว่าโอ้มาที่นี่คนเน้นให้แต่จําอย่างเดียวมันงั้นเขามาก็เลยพูดเผื่อคนกลุ่มนั้นไปบ้างอ่ะนะเขากลัวเขาเขาขี้เกียจจามากเขาเขาฟังได้แต่ให้เขาจําเขาทนไม่ได้หรอกถ้าเขาจะเลิกฟังซะก่อนอ่ะนะก็น่าเสียดายก็ฟังก็้ยังดีดีกว่าจําอะไรไม่ได้ได้ฟังไว้ยังดีทีนี้ผู้ที่ฟังได้ก็เออชมคนที่จะชมที่จําได้มากกว่าจําไม่ได้นะ แที่มาฟังก็ดีกว่าไม่ฟังอ่ะนะก็แยกชมเป็นประเด็นประเด็นไปเดี๋ยวก็บอกอุ้ยมาแล้วไม่ไหวแล้วต้องจําทั้งหมดใครจะไปจํำว่าจําไว้เนี่ยนะอนั่นแหละก็เป็นอย่างนี้แหละสัตว์ทั้งหลายไม่้นทนอยู่ในวัตาได้นานขนาดนี้หรือคือคำว่าจําในที่นี้อย่างโสตาวทานีปัญญาเนี่ยนะปัญญาที่เกิดจากการเงี่ยหูลงฟังหรือปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังไปแล้วเนี่ยหมายถึงฟังแล้วก็แยกประเด็นวันนี้ควรรู้ยิ่ง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 ประสบมนุสสมบัติสวรรสมบัตินิพพสมบัติตรัสรู้อริยสรรัจตามพระพุทธเจ้าทั่วกันอนุมโมทนา